คังหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งฐานายาจนมากแต่ละวันไม่มีอาหารเพียงพอให้ทุกคนรับประทานต้องทนอดมือ้อกินมือ้อตามยถากรรมแต่กระนั้นทุกคนในครอบครัวก็ไม่เคยประกอบพฤติกรรมไม่สุจริตพวกเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและมักปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก่อนนอนรวมทั้งนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน โดยพ่อแม่ของครอบครัวนี้จะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ลูกๆของพวกเขามีอาหารรับประทานพออิ่มท้องไปวันๆเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่ทุกคนในครอบครัวกำลังสวดมนต์กันอยู่นั้นพลันก็เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งก็ปรากฏกายต่อหน้าพวกเขา และมอบกล่องวิเศษกล่องหนึ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อพร้อมกับบอกว่านี่คือกล่องวิเศษในกล่องนี้จะมีสารเปาอยู่สองลูกให้พวกเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าพวกเจ้าจะต้องหยิบกินเพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นส่วนอีกลูกก็ให้อยู่ในกล่องเช่นเดิมถ้าทำดังนี้พวกเจ้าจะไม่มีวันอด และมีซาลาเปากินไปตลอดชีวิตกล่าวจบทูสวรรค์ก็หายวักไปดังนั้นผู้เป็นพ่อจึงเปิดกล่องวิเศษออกมาและปฏิบัติตามคำของทูสวรรค์อย่างเคร่งครัดโดยเขาหยิบซาลาเปาออกมาจากกล่องวิเศษเพียงลูกเดียวเท่านั้นแล้วแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานซาลาเปาในกล่องวิเศษนี้รสชาติเลิศรสยิ่ง และก็น่าแปลกที่แม้ทุกคนจะได้รับประทานไปเพียงคนละนิดคนละหน่อยแต่แค่นั้นก็ทำให้พวกเขาอิ่มท้องได้ตลอดทั้งวันวันรุ่งขึ้นผู้เป็นพ่อก็เปิดกล่องวิเศษเพื่อกินซาลาเปา อ, อีกปรากฏว่ามีซาลาเปา อ, อยู่ในกล่องวิเศษสองลูกเท่ากับเมื่อวาน เขาจึงหยิบซาลาเปาลูกหนึ่งมาแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานแล้วก็ปิดฝากล่องวิเศษลงไปโดยไม่แต่ต้องซาลาเปาอีกลูกเช่นเดิมวันถัดมาซาลาเปาก็เพิ่มมาอีกหนึ่งลูกเช่นเดิมผู้เป็นพ่อก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้ไปทุกวันทําให้ครอบครัวนี้แม้จะไม่ได้ร่ํารวยขึ้น แต่ทุกๆคนก็ได้กินอิ่มท้องและดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนเป็นที่สงสัยของชายเพื่อนบ้านชายเพื่อนบ้านเฝ้าสังเกตครอบครัวยากจนอยู่นานก็ไม่เห็นว่าครอบครัวนี้มีทรัพย์สินอะไรที่น่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่คนในบ้านกลับดูสมบูรณ์พูนสุขอย่างผิดหูผิดตาในที่สุดเมื่อเก็บความสงสัยไว้ไม่ไหวชายเพื่อนบ้าน ก็จึงไปสอบถามกับภรรยาของชายยากจนว่าขอโทษเธอครับพี่สาวระยะหลังมานี้ข้าเห็นว่าครอบครัวของท่านดูมีความสุขขึ้นและเด็กๆ ก, ก็ไม่ร้องไห้เพราะความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนแต่กลับออกมาวิ่งเล่นอย่างร่าเริงและดูจะอ้วนท้วนขึ้นทุกวันไม่ทราบว่าพวกท่านได้ไปประกอบอาชีพอะไรมาหรือ จึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแบบนี้ด้วยความที่ครอบครัวนี้ปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดภรรยาของชายยากจนจึงกล่าวออกเพื่อนบ้านอย่างไม่คิดที่จะโกหกว่าพวกเราหาได้ร่ำรวยเงินทองพวกเราก็ยังคงยากจนอยู่เช่นเดิมนะเพียงแต่ว่าบ้านของเราได้รับความเมตตาจากทูตสวรรค์ โดยท่านได้มอบกล่องวิเศษให้แก่ บ, บ้านเราในกล่องใบนั้นมีสละเปาอยู่สองลูกและเราจะหยิบมากินได้เพียงวันละหนึ่งลูกเท่านั้นวันละหนึ่งลูกชายข้างบ้านร้องลัน่นแค่นั้นจะพอหรือในเมื่อบ้านของท่านมีคนอยู่ตั้งหลายคนพอสิ แค่ซาลาเปาหนึ่งลูกนะก็ทําให้พวกเราอิ่มท้องแล้วก็มีแรงทํางานไป ต, ตลอดทั้งวันเลยแต่เราต้องหยิบมากินแค่วันละลูกเดียวเท่านั้นนะแล้ววันต่อไปอ่ะซาลาเปาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกเป็นเช่นนี้เรื่อยไปโดยไม่มีวันหมดภรรยาชายากจนบอกเล่าอย่างพาซื้อโดยไม่ได้สังเกตเห็นความโลภที่ฉายชัดอยู่ในแววตาของชายข้างบ้านเลย หลังจากวันนั้นกล่องวิเศษก็หายไปจากบ้านของครอบครัวคนยากจนทุกคนในครอบครัวเสียใจมากแต่ก็ไม่รู้จะไปตามเอาคืนมาจากที่ไหนพวกเขาจึงต้องทำใจยอมรับความอดอยากด้วยการสวดมนต์อธิษฐานขอให้มีอาหารประทังชีวิตอีกเช่นเดิมผ่านไปหลายวันทูตสวรรค์ก็มาปรากฏกายอีกครั้งพร้อมกับบอกว่า เราให้กล่องวิเศษพวกเจ้าไปแล้วทำไมยังอดอยากกันอีกหรือพวกเจ้าไม่ทำตามที่เราบอกชายผู้เป็นพ่อรีบตอบทูตสวรรค์ว่าข้าข้าแต่ทูตสวรรค์พวกเราไม่กล้าฝืนคำสั่งท่านหรอกขอรับเพียงแต่เราต้องกลับมาอดอยากเช่นเดิมก็เพราะมีขโมยมาขโมยกล่องวิเศษที่ท่านมอบให้พวกเราไปนะขอรับทูตสวรรค์นิ่งคิด ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้เราจะมอบกล่องวิเศษให้เจ้าอีกหนึ่งใบทุกวันให้เจ้าปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้หมดพร้อมกับลงกรรให้แน่นหนาะแต่ห้ามเปิดกล่องวิเศษใบนี้เด็ดขาดจนกว่าจะล่วงเข้าวันที่เจ็ดแล้วทูตสวรรค์ก็มอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้แกคออรอบครัวของคนยากจนแล้วก็หายวัก ครอบครัวยักจนทําตามคำบอกของทูตสวรรค์อย่างเคร่งครัดจนชายข้างบ้านรู้สึกผิดสังเกตอีกเขาจึงตะล่อมถามภรรยาแสนซื่อของชายยากจนอีกครั้งเอพี่สาวระยะห้าหกวันมานี้ข้าสังเกตว่าบ้านท่านไม่ค่อยเปิดประตูหน้าต่างเลยนะพวกท่านทำอะไรกันอยู่ในนั้นหรือจึงต้องการความมิดชิดถึงขนาดนั้น ภรยาชายยากจนก็ตอบโดยไม่ปิดบงังอีกเช่นเคยว่ากล่องสารปาวิเศษของพวกเราถูกขโมยไปทูตสวรร่างนะก็เลยมอบกล่องวิเศษใบใหม่ให้บ้านของเราแต่พวกข้าก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้างในเป็นอะไรเพราะทูตสว่างกำชับให้เราปิดประตูหน้าต่างและลงกรอนให้แน่นหาไปจนถึงวันที่เจถึงจะเปิดกล่องออกดูได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นแต่พรุ่งนี้ก็จะครบเจ็ดวันแล้วแหะ ได้ฟังดังนั้นความละโมบก็กระโจนเข้าครอบงมจิตใจของชายข้างบ้านอีกอืมกล่องใบนั้นจะต้องเป็นของเราพรุ่งนี้เราจะไปกินสละเปาทั้งสองลูกในกล่องใแรกให้หมดแล้วก็เอากล่องเปล่าๆไปสับเปลี่ยนกับกล่องวิเศษใบที่สองจากบ้านเจ้าคนยากจนพวกนั้นพวกมันจะได้ไม่สงสัยแล้วก็นึกว่าทูตสวรรค์น่ะเล่นตลกกับพวกมันเอง ในกล่องใบที่สองจะต้องมีเงินทองมากมายที่เพิ่มขึ้นทุกวันไม่มีวันหมดเหมือนกับกล่องสลเปลาใบแรกแน่ๆเลยชายข้างบ้านคิดอย่างกละห ย, ยิ้มย่องอยู่ในใจเช้ามืดอันเงียบสงัดขณะที่ทุกคนกำลังหลับสบายชายข้างบ้านเปิดกล่องวิเศษใบแรกออกแล้วกินสละเปาสองลูกจนหมดโดยไม่แยแสเขาคิดว่ากล่องใบที่สองจะต้องให้อะไรกับเขา มากกว่าสาลาเปาเพียงแคส่สองลูกหลังจากนั้นเขาก็ย่องไปที่บ้านของครอบครัวยากจนแล้วก็งัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปขโมยกล่องวิเศษใบที่สองโดยนํากล่องวิเศษใบแรกไปสับสเปลี่ยนด้วยเมื่อได้กล่องวิเศษใบที่สองแล้วชายข้างบ้านก็รีบกลับมาที่บ้านของตนเองเขาปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนาที่สุดแล้วค่อยๆแง้มฝากล่องออกมาดูอย่างตื่นเต้น ทันทีที่ฝากล่องเปิดออกแมลงมีพิษมากมายก็พุ่งตัวออกมาและบินเข้าไปรุมกัดต่อยชายข้างบ้านอย่างอบอเป็นเอาตายจนเขาวิ่งหนีออกจากบ้านแทบไม่ทันว่ากันว่าชายข้างบ้านจอมโลภคนนี้ถูกแมลงมีพิษไล่กัดต่อยไปจนสุดล่าฟ้าเขียวและไม่มีใครเคยพบเห็นเขาอีกเลย ฝ่ายครอบครัวยากจนนั้นเมื่อถึงเวลาเปิดฝากล่องออกก็พบซาลาเปาสองลูกอยู่ในกล่องเหมือนเดิมพวกเขาดีใจมากแล้วก็รีบสวดมนต์ขอบคุณทูตสวรรค์เป็นการใหญ่จากนั้นมาครอบครัวยากจนก็มีซาลาเปาในกล่องวิเศษที่ช่วยให้พวกเขาอิ่มท้องและก็มีความสุขตลอดมาเธอทั้งหลาย น่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพอเมื่อมีแล้วก็ต้องมีอีกเมื่อมีมากก็ต้องมีเพิ่มเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความโลภแต่ความโลภไม่ใช่คนผิดมนุษย์ต่างหากที่ผิดเพราะมีความโลภดังนั้นหลายๆครั้งความโลภ ก, ก็สอนมนุษย์ด้วยบทเรียนที่แสนเจ็บแสบ ด้วยการที่ทำให้มนุษย์ที่มีความโลภสูญสิ้นทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลยในชีวิต